เราปฏิบัติธรรมมีหลายอย่างที่ทำให้เราเกิดศรัทธาไม่เดียวได้ศรัทธาในสติศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสง์ ศรัทธาในพวกเราด้วยที่เป็นเพื่อนมิตรกันห <c oughs> ลาอย่างที่เราให้ที่ทำให้เราเกิดศรัทธาไม่ท้อแท้ไม่เบื่อนหน่ายยิ่งเราปลโลกความเพียรมีสติยิ่งทำให้เรามีศรัทธา ศรัทธาพาให้เราได้ทำความดีทำความเพียรไม่ใช่เกิดจากความคิดนะความเพียรเนี่ยเกิดจากศรัทธาได้ความคิดพาทำมันจะตะเละไหลคิดจากระทำก็ทำคิดจากจะหยุดก็หยุด คิดเบื่อก็เบื่อคิดรู้ก็รู้คิดไม่รู้ก็ไม่รู้คิดยากก็ยากคิดง่ายก็ง่ายมันไปไม่ถูกทิดถูกทางเกิดอะไรขึ้นเอาแต่ความคิดไปใช่เหตุผลมันถ้าทำอย่างนั้นไม่ค่อยจะได้ผล ถ้าเกิดก็เก er pues ิดปัญหาต่างๆเกิดวิตกเกิดกินตะยานเกิดวิปลาสเกิดอาการต่างๆมากมายทุ่งซ้อนหรือเศรุ่มงงงวยอะไรต่างๆเบื่อห่อย ทะถ้าทำจากความคิดในความคิดผารรมนะทางความเพียนต้องมีศรัทธาสัมผัสกับสติมีศรัทธามากสัมผัสกับปัญญาที่มันเกิดจากสติเป็นศีลเว็นสมาธิยิ่งมีศรัทธา เพราจริงเหล่านี้ช่วยเรามีสติที่ใดเหมือนอยู่บ้านพ่อบ้านแม่มีสติที่ใดเหมือนกับมีความปลอดภัยมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตแม่นยอมชัดเกณฑ์และความชั่วง่ายได้ามความดีง่ายได้ ามีสติมีความเพียรเข้าไปร่วมมีสัทธาเข้าไปมีสมาธิ้าไปยิ่งเป็นพนลังขับเคลื่อนพนลังเสริมได้มากมายเราก็ ได้บทเรียนจากหลายๆยอยา่างเรามาทำประกอบสาธิตพิธีธรรมวัฒนเช่าธรรมวันเย็นตาสวดพระสูรตรต่างๆมันก็ติดนะถ้าเราใส่ใจดีๆแนระ้สมมาทิฏฐิคืออะไร ความเห็นชอบคืออย่างใดความดลิชอบเป็นอย่างใดการพูดจาชอบเป็นอย่างใดการทํางานชอบเป็นอย่างใดความเลี่ยงชี้ชอบเป็นอย่างใดความภาคเพียรชอบเป็นอย่างใดความตั้งสติชอบเป็นอย่างไรการตั้งใจชอบเป็นอย่างไรอยู่ในเราทั้งหมดหลย ผิดเพนั่นเราถูกเพราะเรามีสิ่งที่มันไม่ผิดอยู่แล้วแต่เดิมมีอยู่แล้วรวมผิดเกิดทีหลังรวมไม่ผิดมีอยู่ก่อนรวมทุกขมาทีหลังควมไม่ทุกมีอยู่ก่อนรวมหลงมาทีหลังควมไม่หลงมีอยู่จาเดิม กิจที่บริสุทธิ์มีอยู่แต่เดิวกิจที่ปุงไม่มาทีหลังจึงไม่จนยิ่งเราเคยใช้สติเรามีความเพียรเปลี่ยนควงหลงเป็นความงรู้ได้ก็ยิ่งมั่นใจยิ่งสนุกไม่ลี่ล้ม เ ป, เปิดเผยเห็นเองในเวลาเราปล่อยลูกความเพียรในเวลาเรามีมสติไม่ลี่ล้มเป็นของลึกซึ่งรู้ได้ทันทีทก็หลงก็มาไม่เห็นทันทีทก็ไม่หลงก็มาให้เห็นทันทีทําได้ทันทีท ไ ม, ไม่ลีบลับเป็นอย่างไรสัมผัสได้สุขทุกอย่างไรผิดถูกอย่างไรเท็จจริงอย่างไรสัมผัสได้ไม่มีคําถามไม่มีใครที่จะวิเศษยิ่งใหญ่ไปกว่ากันถ้าใครหลงก็ต้องมาตกไม่หลงเป็นส่วนตัวของใครของหลอกไม่ใช่คนใดจะช่วยเรา มีแต่เราช่วยตัวเองคนอื่นจะดีวิเศษกว่าเราไม่มีเราทุกเรานี่แหละวิเศษกว่าคนอื่นคนอื่นทาช่วยเราไม่ได้ถ้าเราได้มีศรัทธาได้สัมผัสความเท็จความจริงความถูกความผิดความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมมีสทธิ จึงมั่นใจในการปฏิบัติเห็นชิงเหล่านี้สัมผัสกับชิงเหล่านี้อยู่เสมอในการมีสติในการมีความเพียรในการมีศรัทธาและความชั่วทำความดีตัทาเนี่มันทําได้ทำความดีก็ทําได้ มีสติเป็นเครื่องมือก็มีได้มีความรู้สึกตัวที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ไม่มีการไม่มีเวลาน่าจะเราได้หลักด้ดีพอตัวอาเสยลำแข่งตัวเองได้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งห้อมร้อมครูบาอาจารย์ ให้ท่านช่วยสอบอารมณ์อาศัยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่บอกทํออะไรไม่เป็นนั้นไม่ใช่เช่นเวลาใดมันมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่าเพิ่งมองออกไปหาคนอื่นใครจะช่วย เราได้อาใัยใครน้อจะมาช่วยจะมาดูแลอย่าไปเชิดออกไปแบบนั้นต้องมองเข้ามาตัวแดงก่อนมันก็มีหลักอยู่ถ้ามันกความคิ ด, คดที่มันพุ่งสา่นมันพุงพ่งอารมณ์พุ่งเรียกว่า วิปัสสนูเรียกว่าอาการต่างๆาไม่ต้องเรียกว่าวิปัสสนุมันเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะคุ้นอาลมก์ ไ, ปไปรๆต้องเรียกเป็นอาการอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวลาที่เราศึกษาปฏิบัติอย่า ไปพึ่งใครทั้งหมดเลยมาอาศัยหลักกับมาดูกายเคลื่อนไหวตั้งต้นใหม่กับมหาที่ตั้งบางทีการกระทำมีความเพียรมีที่ตั้งมีสติจากอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้น มันก็ไม่ต้องไปถาคาถามจากใครบางทีทามีกรรมที่ทําให้เกิดขึ้นมันก็หายไปเลยหมดไปเลยคิดจะถามไม่ต้องถามเพราะมันเห็นมันพบเห็นจากกระตุกกระตอกจย่ยาบัดไว้อะไรง่าย นักแน่นไว้เวลาเราทําความเปลี่ยนไปเจออะไรเข้าไปเห็นสุขก็หลงในความสุขไปเห็นทุกข์ก็หลงในความทุกข์ไปมีความสงบก็หลงในความสงบไปมีความผุ้งเสารก็หลงในความผุ้งเ้ารมันก็ไปใช่ถอนออกมาดูออกมาดูมัน สิ่งต่างๆมันเป็นอาการไม่ใช่ไม่ใช่ใชที่จันจะหาคบตอบจากความคิดเหตุผลอาการมันเกิดขึ้นได้ตามเหตุตามปัจจัยสิ่งที่เป็นอาการมันไม่ใช่ธรรมชาติ ธ ร, รมชาติมันไม่มีอะไรเช่นในเครื่งหลงเป็นอาการแต่เดิมมันไม่หลงเครื่องสุขเป็นอาการแต่เดิมมันไม่ได้สุขมันปกติเครืมงทุกข์เป็นอาการแต่เดิมมันไม่ได้ทุกข์มันปกติมันมาทีหลังเป็นอาการขี้หน้ามันได้เลยเป็นอาการไ ม, กไม่ต้องเรียกว่าอารมณ์ สอบอารมไม่ใช่คนอื่นสอบเรานี่ชำนาญในการเห็นอารมณ์เกิดจากเราอาจจะไม่เหมือนกันกับคนอื่นจะเปรียบเทียบคนอื่นมันก็ไม่ได้สิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาอาจจะไม่หลงสิงที่เราเป็นคนอื่นออเขาอาจจะไม่เป็นอย่าไปสำคัญมั่นมหมายเขาลู้เราไม่ลู้เขาเป็นเราไม่เป็นไม่ใช่เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบ บางทีก็อาจจะไม่เป็นเหมือนกันหมดอาการเพศนิมิตบางทีก็ไม่เป็นเหมือนกันเห็นต่างกันถ้าสิงได้เห็นมันต่างกันไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมต้อเป็นอันเดียวก่นความหลงอันเดียวกันความทุกข์อันเดียวกันความฉุกอันเดียวกันความโกรธอันเดียวกัน กิเลสตัณหอันเดียวกันพยาบาทอันเดียวกันสติอันเดียวกันเมตตากุณาอันเดียวกันถ้าอย่างอย่างอื่นไม่ใช่คนนั้นไปนั่นค น, นนี้ไปนนี่คนนั้นเห็นอันนู้นเห็นอันนี้นเห็นนอกจากรูปจากนามไปตอนนั้นไม่เกี่ยว ก, การปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปใช่ไปอ้ดื่นาธธรรมาเป็นครัตอบ ตอจากความคิดหนุ่เรื่องของาการต่างๆเห็นสวัสด์เห็นนิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตเป็นเงนั้นอย่างนี้เข้าสมาธิเข้าชานสมาบัติชานอย่างยิ่งคือมีสติอย่างยิ่งพระใช่ทาชานแบบนั่ง อาจารย์เขาา้าฌานเดวันไม่กินข้าวไม่กินน้ำล้วก็เขาา้าฌานบรรลุานเป็นได้อาจารย์ทำได้คนเดียวนั่งนั่นไม่ใช่ฌานอย่างยิ่งคือสติอย่างยิ่งที่แน่วเน่ที่มันแน่วแน่สติอย่างยิ่ง มีสติแล้วแหละอยู่มีสติแล้วแหละอยู่ดังที่เร า, ร า, ารสาธิยะพุทโธสมมาส ม, มาธิแล้วก็มีอะไรผ่านไปพี่ตกวิจฌานปิติสุภะเกิขตามละโนนละนี่ละโนนละนี่เห็นมาเห็นว่าเอาจริงๆเข้ามีสติแล้วแหละอยู่ถึงจุดปลายปลายทางนี่คือฌานอย่างยิ่ง เมื่อส <rápido Psychology> <doing> ุขเมือทุกมีสติแล้วแลไรอยู่เป็นจุดเเป็นทุกติติยฌานอะไรฌานที่4เอกหนึ่งทุกสองติกสองจะตกสี่อะไรจตุชัตการอันนี้เป็นภาษาบาลีแล้ว มันละอนละนี่มาเนี่ยว่ามีสติแล้วอะไรอยู่เป็นระดบที่สี่ผ่านมาก็มาจบที่นี่มีสติแล้วอะไรอยู่พราะเราสุขเราทุกข์เรอะไรทุกอย่างะมีสติแล้วอะไรอยู่มีอันเดียวเท่านี้วะเนี่ยมีสติแล้วอะไรอยู่มีสติเป็นหน้าเราเหมือนพระเขียนเราสุข ผู้มีสติเป็นบีนายคือพระลหลังไม่มีอะไรมีทุกมีได้ทุกคนสติแบบนี้มีได้ทุกคนสติธรรมดาจะมีไม่เหมือนกันสติที่ไปเอาชนะความทุกข์เนี่ยไม่มีเหมือนกันหมดไม่ต้องไปอ่านหนงจากหนังสือเมื่อแต่รู้สึกระึกได้เห็นเห็นต้องหัด ทีแรกก็มาหัดกอไก่ขอไข่ไปก่อนอนุบาลไปก่อนยกมือเคลื่อนไหวไปมาลู่ไปลูกไปมันก็เปรียบเทียบมันก็ได้บทเรียนจากที่มันไม่ลู่เรามีสติไปกําหนดที่กายเคลื่อนไหวมันไม่ลู่ที่กายเคลื่อนไหวมันไปลู่ออื่นหลงไปทางอื่นเอากลับมาลู่ที่กายนี่เป็นอนุบาล มันเพราะมันลูกมันจึงเห็นเป็นหลวเพราะเป็นหลุมลมันจึงมีความลูกจนในที่สุดจานานไม่ต้องเป็นอับาลอะไรก็ลูกออกหน้าออกตาไม่ต้องไม่ต้องสร้างความลูกมันสร้างขึ้นมาเองมันมีเองมันชํานาญ มันเป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่ทำให้ันรล้มันเป็นแล้วมันเป็นแล้วไม่จะสติแล้วแลละอยู่มีเฉยสติแล้วแลละอยู่นั่นคือผลงานที่เราได้เรียนอนุบาลมันจึงมีความชำนิชำนาญขึ้นมาไม่ตองมาก ถ้ารู้อย่างนี้แล้วมีสติอย่างนี้แล้วแล้วก็กํากับมันอดินมีมากไปนี่มีมากไปนี่โลบลูเขืนที่หลังเมอเหมือนกับเราเดินทางผ่านได้แล้วผ่านถึงจุดหมายปลายทางก็มองย้อนขึ้นหลังได้เห็นข้างหลังได้ถ้าถึงที่หมายเงื่อเราขึ้นไปบนยอดเขาก็เห็น ที่มันต่ํามันขึ้นเขาสีบทะสูงก็เห็นทางที่เราเดินขึ้นแหวกลำดับได้ตรงไหนมันยากตรงไหนมันง่ายตรงไหนมันเหน็ดเหนื่อยทําท่าจะทุกขแท้ขนาดไหนสมผัติจังไรเมื่อยยังไงล่อนอยังไงหมดเลี้ยวหมดแรงยังไงจะเป็นลมยังไงวีนเวียนอย่างไร เราเคยเป็ น, เ, ปนเคยเหนื่อย เ, เคยยากเคยสู้เคยโทุกแท้มีขณะที่เราเดินปีนเขาเคยโทษกแท้มองไ ป, ไปยอดเขามองดูเรากําลังเราแค่ไหนเปรียบเทียบคนอื่นคนอื่นก็เดินทิ้งเราไปกาปรไปสอนทิ้งเราไป การสมายทิ้งเราไปการประเทศทิ้งเราไปแล้วก็จะทำเหมือนท่านเหล่านั้นไม่ได้แล้วก็เป็นเราเองแต่เราพยายามไม่ได้ไม่ได้เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบผลที่สุดก็ถึงที่หมายเหมือนกัน แล้วก็เดินก็เหมือนกันแล้วก็เหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันก็เหนื่อยความเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันหมดแต่ถึงถึงที่เดียวกันหมดจุดหมายปลายทางเดียวกันหมดรูด้ทีหลังทำไมจะไปรู้ใครเป็นไรก็รู้ไม่ต้องมาบวชมาอ้งถ้าเราต้องด่วนเจ้าหน่อย อย่าเสียเวลาให้รู้ง่ายๆมันมีอะไรเกิดขึ้นขณที่เราปฏิบั ต, ต, บตินี่แต่ความรู้เท่านั้นไปใช่แล้วก็ง่ายๆกร็รมาฐานก็มีที่ตั้งนี่หัวนี่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าก์ต้องอยู่ที่นี่ถ้ามีอะไรที่มันคิดมีปัญหาก็เหมือนกันหมด เราจะคิดถึงลาหุนรักลาหุนจะมีแต่ห่วงลาหุนจะไปช่วยราหุนช่วยพิมพามีสงคนต่านี้หรือเรเจ้าอาจจะไม่คิดแบบนี้สิทธิธรรไม่คิดแบบนี้เราลักคนทั้งโลกเราไม่ลักเฉพาะลาหุนเราไม่ลักเฉพาะพิมพาเราลักคนทัองโลก ต้องหาวิธีช่วยคนทัองโลกทำไมคนหลงหลงลักทําตามความลักทำไมจึงหลงความโกรธทาตามความโกรธทิงนอกจากตัวนี้ไม่มีเลยทําไมต้องโลองให้พอความเก็บโ้องให้พอความแก่ความตายหาเรื่องนี่สําคัญที่สุดเวลาใดเราหลง โน้จะหลงอยู่เช่นนี้เลยคนอื่นก็หลงแบบนี้ไม่หลงไม่ได้เลยต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนเวลาใดเราทุ ก, ทกข์ทุกข์ก็เป็นอย่างนี้เลยใครก็ทุกข์ถ้าทุกข์ไปอย่างนี้เลยเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรอย น, นี้หรือถูกเล่ามันมีแค่นี้เลยมันที่จะโอดชนะสิ่งเหลานี้ได้ไม่มีหรือมีใครทําได้ไหม สิทธาอาจจะยากพวกเราไม่มีขู่อาจารย์เลยแต่ว่าเอากำลังที่บากหมั่นเข้าไปไม่ยอมชู้ไปมากมายจนเกิดมานตามพระ ส, สูตรคนะที่สูตรก็ชนะได้มืนหลงไม่หลง ได้หลักมันคิดไปไม่คิดไปตามความคิดกลับมากลับมามันง่วงไม่ง่วงมันกลัวไม่กลัวมันอะไรเกิดขึ้นต่อแท้ชู้มันคนละอย่างมาพบกันความหลงมีกลัวไม่หลงก็มีความกลัวมี่ผมไม่กลัวก็มีความยากมีคมไม่ยากก็มีคมเจ็บมีคมไม่เจ็บก็มี มองแบบมองแบบพิพาทษาตัวเองนี่ทำไม่ได้ก็ยังมองไปแบบนั้นมองเห็นกระเสือได้ตั้งแต่ประพาธกบินาพาัสนพระจุบวยุ1สิบหกคนสเห็นคนเกิดมันต้องมีความไม่เกิดเห็นคนเจ่ต้องมีความไม่เจ่ เห็นวาเก็บต้องไม่ความไม่เก็บแห็นความตายต้องไม่ความไม่ตายนี่แห่นอนที่สุดเพราะอะไรเพราะเปรียบเทียบกลางคืนก็มีกลางวันมีร้อนก็มีหนาวมีหิวก็มีมีสุขก็มีทุกมันต้องไปอย่างนี้แน่นอนเราเคยสุขเราเคยทุกเราเคยรักเราเคยเกลียดชังเราเคยพอใจและเคยไม่พอใจเปรียบเทียบอะไรขึ้นมาก็มาย้อนจน มีอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เลิกมาจบกจาการศึกษามีสติไปในกายเป็นประจำกู้แขนเข้าเหยื่อแขนออกหาหลับมหาที่เกาะที่ตั้งได้ที่แรกไม่มีที่ตั้งบีบไปเลยทุกข์บปฏิปทาบีาบปไปเลยปปเขื่นไปเลยหักดิบปไปเลย ไม่มีทาไม่เป็นแล้วก็ผิดพลาดตั้งหกปีเลยทนมีความผิดพลาดตั้งหกปีเลยดูซิศาสตราของเราเนี่ยทนขนาดตั้งหกปีเลยผิดพลาดจนหนังเหลือหุ้มกระดูกเกือบจะตายไปแล้วความผิดพลาดรวมสู้สจนได้บทเรียนไม่มีใครในโลกที่ทำได้บิ้งกว่าเราเนี่ย สุดยอดเหละท่องแบบนี้ไม่บทเรียนไม่ใช่โทษเธอเอามาเป็นบทเรียนมันต้องมีแบบอื่นมีวิธีอื่นก่อนจะมีวิธีอื่นน่ะมีแบบบมเพ็นทางเกศขณะที่มันสลบสลรไรในความไม่มีเลี่ยวไม่แหลงเพื่อได้บทเรียนขนาดนี้ นอ๋อโสมลงอาบน้ําโสมขึ้นฝั่งยังมีความขุดปัญจวีชียังมีกิเลสตันหายังคิดถึงพิบัลเราอ้าวมันไม่ใช่เรื่องนี้เราต้องเป็นเรื่องกิดใจกิตใจไม่เอากายบีดมันไม่ได้ต้องมีสติเห็นมีสติทำไงที่นี่จะมีเรื่องแรงต้องเปลี่ยนเพริญใหม่ กินข้าวกินน้ำร่อนแหลมจากดงคาชิริมาบ้านผู้บ้นคนแถวบ้านของสุดชาดามาได้ข้าวมาตัวประหยดัดพอม่เลี้ยวแหลมขึ้นมาบางทีก็เด็กเลี้ยงป่วยลีดนมวัวนมควายมาให้ได้ไมีเลี้ยวแหลมก็นางคู่เฉันเข้าเยอะฉันนอกคิดไปกับมาเออมันสัมผัสใจมันหลงรู้อือ วนคิดเหตุให้เกิดคิดมันก็มีคนที่มีลูกหนีลูกมามันก็ต้องคิดถึงลูกกลับมาคนที่เคยเลิกเป็ยบ้าก็คิดถึงเมียกลับมามันมีเนี่ยอาจจะมีกว่าพวกเราไม่เีหนุ่มไม่เคน้อยยังไม่มีลูกมีผัวก็ไม่มีฮะหนุ่มพรอน้อยยังไม่มีลูกมีเมียคนมีลูกมีเมียคนมีอะไรที่มากมายมันยอมคิดเจงกว่าเราสัมผัสสัมผัส กลับมากลับมากลับมายิ่งได้กำลังใจงอห่วแต่ลูกแต่เมียอยู่นี่เลยเราจะไม่เป็นพ่อใครอีกขอมีพ่อขอเป็นพ่อคนเดียวเท่านี้ขอเป็นผัวคนเดียวเท่านี้ตายเป็นตายจะเป็นพ่อคนเดียวเท่านี้จะเป็นผัวคนเดียวเท่านี้จะไม่เป็นผัวใครอีกจะไม่มีเมียอีกจะไม่มีลูกอีกคิดใจใหญ่ต้งเนี้ย อาจจะคิดอย่างนี่นะหนพระสูตรไม่มีนะแต่ว่าคิดเล่นๆนะเคยคิดแล้วนี้นะเอ้าเมื่อแต่ว่าคิดถึงลูกอยู่นี่แหละนะขอเป็นมีลูกคนเดียวจะได้มีเป็นพ่อคนเดียวจะได้เป็นผัวคนเดียวจะได้ไม่มีอีกแล้วเอาอย่างพระเจ้าแล้วก็มีกําลังขึ้นมามันก็คิดไปกลับมามันก็จึงคนแล้วนี่นะ เก่งกัเรื่องสู้นะเหมือนนกลุกสมอลภูมิมันต้องผ่านสนามโลกจึงได้เหรียญชะนะสงครามมันผ่านสง<ว>คร า, า, า, า, า, า, นะามถูกเก็บปวดแต่ควมรักควมโกดควมโลภควมหลงควมสุขควมทุกข์ไม่ล่อยประชนนะความทุกข์เ่็กสุดยอดอันทุกข์พอ ไม่มีข้าวมีมน้ำไม่มีเสื้อผ้าอาหภรณนั่นเป็นส่วนหนึ่งอันทุกข์ที่มันเกิดจากการปรุงแต่งเกล็ดต้นหาราคาควาโกรธโลภหลงเขินลักเขี้ยงคิ ด, ดอะไรที่มันจากตัวเองทำเองเนะี่ยอันทุกข์เพราะเรื่องเงินมันไม่ใช่ทุกข์เพราะเรื่องเนี่ยทุกที่สุดคือทุกข์เพราะความคิดหยุดไม่เป็น ไม่ไม่รู้จักหยุดความคิดเลยเวลาไหนมันก็คิดขึ้นมานอนอยู่มันก็คิดนั่งอยู่ก็คิดไม่รู้จักมันจกิดมตื่อนก็าบอกทุกคิดไปก็มาคิดไปก็มาหลายรอบหลายรอบหลายรอบมันความคิดทำไมรู้ความคิดทำไมรู้สันเกิดเจาะเอ๋กันขึ้นมาบวาเจาะเอ๋ ตื่น龙门佛陀ตัวนี้ไปอันสุกอันทุกเกิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้วโดดขึ้นถึงมงกุกดจุดยอดน้อยพอสมควรฉลัดตัวนี้นะเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรชีวิตจิตใจแล้ว อันความสุขความทุกข์เกิดจากกายจากใจเลิกลากันเฉยแล้วความสุขความทุกข์เกิดจากกายจากใจเลิกลากันเฉยแล้วปัญหาเกิดจากกายจากใจที่ทําให้เกิดเป็นถูกเป็นทุกข์เลิกรากันเฉยแล้วมิแต่จะเกี่ยวข้องกับบัญญัติถูกต้องขอบคุณรูปอขอบคุณนามให้เราได้ใช้ มหาพูตธรูปลูกอาศัยคือธาตุสี่อุปไท迦ลูปคือขันห้าได้ใช้ลูปใช้ขันให้สำเร็จประโยชน์ลูปขันที่พ่อไม่ให้เราเกิดมามีอวัยวะมีธาตุสีรรมดีได้ทมชั่วได้ ละควมชั่วได้ทำความดีได้สําเร็จเหตุปัจจัยทำให้เกิดทำความดีได้มีมากมายเรารู้จักช่องรู้จักทางเหตุอันที่ทําความชั่วได้มีมากมายเรารู้จักช่องทางปิดได้ความชั่วที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนแต่ตัวเองและคนอื่นปิดเลย ความดีที่มาเกิดตัวแในคนเื่นไม่เบียดเบียนตนแต่เปิดว่าใช่รูปใช่านามได้สําเร็จตามความปรสงตอบบุญแทนคนคนุดพ่อคนแม่ได้ที่เห็นหมือห้านิ้วสิบนิ้วเพื่อให้เรามาทํำความดีมีขามีแขนมีตามีหูเพื่อให้เราทํำความดีมีอวัยวะต่างๆเพื่อให้เราทาความดี อยากจะลุบมือไหว้หน้าขึ้นมาหน้าอกตัวเองมันเห็นของเท็จของจริงกันเน่ยไม่ได้อ่านหนังสือตำราตำราก็จากการปฏิบัตินี่นะทุกชีวิตเป็นอย่างนี้แน่นอนใครก็หลงในความหลงก็ไม่หลงแม่นอนไอ้เคยทุกเราเคยทุกในความทุกข์ก็ไม่ทุก ในความโกรธก็ไปโกรธในปัญหาก็มีปัญญาทั้งนั้นปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะบางคนนะเราไม่ต้องไปทําน่อยอะไรดรอกมาดูตัวเองนี่แหละตกบตัวเองให้มันได้เห็นแจ้งตัวเองทุกแง่ทุกมุมที่มันเกิดจากกายจากใจเรานี้นะไม่มีอะไรดรอกปัญหาเจ็บตายมันอยู่ที่รูปที่นามนี้ อันจึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรอกสุขในนามมากายมีความสุขนามมากายภาวะที่เป็นนามมากายนี้ไม่มีการแก่เจ็บตายมันแก่มันเจ็บมันตายเพราะเป็นรูปธรรมรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งเช่นเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งเช่นเกิดขึ้นแล้วหายไปมีแล้วหายไป สิ่งใดที่เป็นรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวใช่ตนอันนี้มันแก่เจ็บตายเป็นของธรรมชาติตัวที่นามธรรมนามกายที่มันเห็นที่มันเป็นปัญญาที่มันเห็นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นไปกับรูปธรรมมันไปเป็นไปกับนามธรรมที่มันเป็นอุปทานยะลูกปุกปทานในขันตกซอุปทานตอนนี้ เวลาหาเวปันจักขันธาขันตังห้าขนของเราว่าตัวโยบุตรฐานขันตังห้าเป็นตัวทุกมีน้อยๆเท่านี้กัมือเดียวหยุ ด, ยดวางนะวางจ๊ะวางปล่อยวางอนไนที่เป็นอุปทานวางนะสุขวางจสทุกวางจสที่มันมีอะไรที่เป็นอาการวางไง่ายๆเป็นธรรมชาติก็มี เห็นง่ายๆอาการก็เห็นง่ายๆธรรมชาติอาการเป็นธรรมชาติเป็นอาการสู่ธรรมชาติสู่ธรรมชาติเพลินสู่ธรรมชาติดินไปหาดินน้ำไปหาน้ำไฟไปหาไฟลมไปหาไฟไฟก็ไม่เปลียนไฟลมก็ไม่เปลี่ยนลมดินก็ไม่เบียปลี่ยนดินน้ำก็ไม่เปลี่ยนน้ำ มันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติไม่ใช่มีไม่ใช่เราจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เราจะเอาสุขกับทุกข์ว่าธรรมชาตินี่มันไม่รู้เรื่องธรรมชาติไม่รู้เรื่องมันไม่ฟังเสียงใครไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่ใครไม่มีใครป้องกันได้เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมนี้ที่แบ่งเป็นอะไรต่างๆป้องกันได้เด็ดขาด ยังบอกว่าเห็นไม่เป็นแนี่จบแค่นี้เห็นหมดสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูปกบนามไม่เป็นไปกับบรนได้ทั้งหมดทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับตามไม่เป็นไปกับมันเลยจบมันเฉยๆรูปธรรมนามธรรมไม่เป็นกรรมสิ้นกรรมตรงนี้จิน้นผอชิ้นภบสิ้นชาติตัวนี้ถูกไหม ขอชิ้นพบชิ่นชติตรงเองไม่มีอีกแล้วมาอย่างนี้ก็ได <c oughs> ้เนาะสนุกดีนะสนุกันเหนียวกันเหนื่อยจะสนดวกไหมือนพี่เต๋งองวองเนาะวันใหญ่กดเมืองแต่กับภาพภามกัน